ทีนี้ถ้ามีเพื่อจะออกแล้วก็ดูว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทุกข์มีโทษมีภัยยังไงบ้างที่ดูนะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้หรือทั้งทังที่ไอความเหน็ดเหนื่อยนะมันก็ชั่วคราวใช่ไหมปลูกดอกไม้ถ้าตายเพื่อจะดูแล้วก็ปลูกอีกคือ <c oughs> <c oughs> อันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องเอ ตามเห็นโทษภัยของตาอย่างเดียวคืออัสาธาเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพวกบอกว่าผู้ใดตามอัสาธาตามเพลิดเพลินในสิ่งนี้นะอันนี้ให้เบื่อเพราะเพราะอัศาธาเนี้ไม่ใช่ฐานะใช่ไหมเนติปกรณวันก่อนยุติหาระเราพูดถึงอย่างนั้นใครที่ตามเพลิดเพลินในสกายะแล้วจะเบื่อหนายอันนี้ไม่ใช่ฐานะหรือตามเพลิดเพลินในการมาคุณแล้วจะเบื่อหน่ายก็ไม่ใช่ฐานะ มันเหมือนกับว่าแหมเบื่อแล้วเกินไอ้ต้นไม้พันธุอันนี้นะรดน้ำผูใสปุย๋ยอยู่ทุกวันเลยนะยังไงมันก็เจริญงอกงามไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเริ่มเบื่อหน่ายปั๊บเนี่ยนะเริ่มตัดสเสบียงแล้วนะตัดกําลังเริ่มมุ่งจะตัดมุ่งจะถอนรากมุ่งจะถอนโคนเนะเพราะเ้าถือว่าพันนี้มันไม่ดีในชั้นแรกถ้ามีอัธยาศัยก่อนอย่างนี้นะชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคือคือคื อ, คอให้มีใจน้อมออกก่อน ถ้ามีใจน้อมออกก่อนแล้วสมาทานบ่อยๆว่าเราต้องการออกถ้าอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะเริ่มตามเห็นโทษของตาถ้าพื้นฐานไม่มีอัธยาศัยมาก่อนนะถึงเห็นโทษนะมันก็มันมันชีวิตมันก็หมดรสชาติสิใช่ไหมตามเห็นเนี่ยตาก็าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหูก็าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอู้หูแล้วมันจะสนุกอะไรเนี่ยอู้ชีวิตมันแห่งแรงน่าดูเลยรันนี้ไม่น่ารื่นรมเลยเนี่ยนะถามว่าดีไหมอย่างงี้ ก็ไม่ใช่เพราะพวกใดที่เป็นกลุ่มศัตรูทิฏฐิโดยรวมๆนะพวกนั้นจะไม่ไม่อยากออกไอ้ออกแล้วมันดียังไงแต่ถ้าพวกอุเฉททิฏฐิเนี่ยค่อยยังชั่วเพราะพวกนี้ไม่อยากอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะพื้นฐานเขาไม่อยากอยู่อยู่แล้วแล้วเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่แต่พื้นแต่ว่าพวกอุเฉททิฏฐิกรรมศกตาไม่ดีเนี่ยนะหรือว่าไปคิดว่าถึงตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้แล้วจะศูญย์ซึ่งจริงๆ้็ไม่ใช่ นันผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะจึงเป็นผู้ที่ตามเห็นโทษของตาโดยประการทั้งปวงก็คือเนี่ยอาทินวะนะอันที่จริงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็แสดงอัสาธาอาทินวะใช่ไหมทีนี้คนอื่นไม่เห็นโทษพระพุทธเจ้าจะพูดให้เห็นโทษเนี่ยไงคือคือถ้าเราสมมุติอย่างที่ว่าเอาไม้ตาคู่หนึ่งตาของเราไปปรากฏที่นรกเนี่ยไงน่าเบื่อไหม เดชักไม่ค่อยสนุกถ้ามีตาอีกคู่หนึ่งปรากฏอยู่ที่เปลือย่างเงี้ยนะโผล่หรือปูดออกมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ก็ไม่น่าสนใจเป็นมนุษย์แต่ตาเอียงตาเขาตาเหล่นะเปนต้นเฮ้ยเขไม่น่าสนใจอีกนันน้วอ่ะแล้วเป็นตาอันี้คุณต้องบริหารนะตือนเช่ามาคุณต้องเช็ดมันละกี่รอบอย่างเงี้ยนะล้างตาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะตับเล่นให้นะต้องอะไรให้นะเป็นต้นแล้วดูแลไปนะหาสีให้มันดูนะถ้าสีไม่ชอบมันก็ไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วต้องมาเลี้ยงอยู่ขนาดนี้ถามมันดีไหมเ้ยไม่ดี ถ้าไม่มีตาแล้วดีไหมดีเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่เรามองเห็นตาเท่ากับก้อนมะเร็งได้นะก็อนุโมทนาด้วยะเห็นตาก็าไม่ต่างอะไรจากก้อนมะเร็งที่ต้องผ่าตัดเร็วที่สุดเนี่ยนะโยมจะถามเธอข้อข้อข อ, ข อ, อุปมาเปรียบเทียบนะอไม่ใช่วิสัยของปุตุชนที่จะคิดสรรหาอสังขตาธาโดยวิสัยของตนคิดยังไงเราก็คิดไม่ถูกเพียงแต่ว่า คิดได้คร่าวๆเหมือนกับว่าเออเกิดมาเนี่ยนะเขาว่าป่วยมาตลอดเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราป่วยนะตอนหลังเขาก็เริ่มมีคนมาบอกว่าคุณเนี่ยป่วยนะอาการอย่างนี้เรียกว่าคนป่วยคนป่วยคนป่วยเล่าให้ฟังสรุปเราป่วยหมดเลยอย่างไี้นะเขาบอกว่าหายป่วยนี่มันดีนะเออนึกอยากหายแล้วมันดียังไงเพราะไอ้ป่วยนี่นะมันก็ดีนะไม่ได้กินยาเอาสิเวลาเวลาคันนะมันก็ดีนะได้เกาเออมันก็สนุกนีอะ เกิดมามันป่วยมาตลอดเลยไม่รู้ว่าหายแผลเป็นยังไงแต่ก็มีคนหายไข้บางคนมาเล่าให้ฟังว่าไอ้อ า, าการอย่างนี้เรียกว่าป่วยนะอาการอย่างนั้นเรียกว่าเป็นน้องอาการอย่างนี้เป็นโรคโรคอย่างนี้มันเจ็บปวดมันเดือดร้อนนะหายโรคนี้มันดีจริงๆเอหายโรคมันดียังไงเราก็มานึกกันนะขั้นตอนแรกเราก็บอกไอ้ความหายโรคเป็นดีอย่างยิ่งคือให้เราเพราะอะไรเพราะดูจากคนเขาหายโรคแล้ว เช่นเอาประวัติพระพุทธเจ้าผู้หายจากโรคมาแล้วเอาพระอริยาสาวกมาคิดแล้วว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้หายโรคจริงๆใจก็น้อมไปเพื่อหายบังทีนี้พอมีใจช่วยกันนึกหายโรคอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เริ่มมาผ่าตัดมาโรคของเรามันคืออะไรเนี่ยนะก็ลงมือกระบวนการผ่าตัดรักษาเขาบอกว่ามีดหมอในที่นี้เป็นชื่อของปัญญานะที่มาชำแหละวิจัยเจาะลึก วิจัยยังไงวิเคราควรไปใค ร, รวใครรวรไปก็มีแต่ปีละนโถ ổ. ไปหาค้ายังไงก็สันตาปณโถ ổ. วิจัยไปยังไงก็มีแต่ตัวเบียดเบียนอ่ะนะเอามะเร็งก็นี้มาวิจัยอา้าวไอตัวร้อนมาอีกแล้วไอตัวนี้ก็ร้อนไอตัวนั้นก็ร้อนวิจัยไปยังไงก็ตัวที่อ่ะนะเร่าร้อนด้วยเบียดเบียน ด, ด้วยถูกปัจจัยสร้างขึ้นมาด้วยในที่สุดมันก็แตกทําลายเหมือนกับฝีอ่ะนะ วิใใจัยไปยังไงมันก็พาไปฝีไหนมันก็แตกหมดเหมือนกันพาไปฝีไหนมันก็มีค่าเท่ากันก็เริ่มเห็นว่าโอ้โรคอันนี้มันเกิดจากสมุทฐานเราเนี่ยมีความสุขการเกาแผลอันนี้แหละเราเนึกว่ามันดีอตัวนี้คือการสร้างโรคเพรา ะ, ะพอเห็นโทษแบบนั้นเข้าก็เห็นโทษว่าตันหาเนี่ยตัวสร้างโรคเป็นตัวเชื้อที่จะนําให้ไปมีโรคมีภัยต่อไปก็จะเริ่มเห็นว่าตัวนี้ไอูฮันัโถ นำนำสร้างโรคนำสร้างโรคใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้แหละเป็นนิทานโถนนํามาซึ่งโรคอันอื่นอีกตัวนี้แหละตัวกังวลทําให้ไม่ยอมรักษาสักทีหนึ่งะนะตัวปริพอดใช่ไหมมันเป็นปริโพอดคอยดูแลมันให้ดูแลอย่างงี้นะมันเป็นสังโยคประกอบเอาไว้ให้ติดใจยอยู่กับรสชาติของแผลเลยไม่คิดว่าอ่ะสังขตธาตุความหายโรคนี้เป็นความดีเยี่ยมนั้นถ้าวิจัยไปเรื่อยๆเื่อยๆมันจะเริ่มปล่อย อันอยู่ที่พื้นฐานการถ่าโรควิจัยโรคจนกว่าจะตัดการสร้างเหตุใหม่ๆเนี่ยนะในที่สุดก็จะน้อมไปเพื่อการปล่อยคือการปล่อยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเรากระโดดไปเหมือนเป็นรูปธรรมได้ท่านจึงบอกว่าท่านหมายถึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเจริญสติสัมโพชงไข้โครแบบนี้แหละมุเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ เพราะฉะนั้นเวลาเจริญทีพิจารณาขันห้าทีตั้งอัธยาศาัยเพื่อบรรลุอย่างเดียวนะตั้งอัธยาศัยเพื่อบรรลุอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าพูดแบบรูปธรรมหยาบๆหน่อยนะพอพิจารณาตาเนี่ยประกอบไปด้วยรูปห้าสิบสี่รูปตาเนี่ยที่เรียกว่า ส, สัมภาระจกักษุประกอบไปด้วยกายทัศกะภาวะทัศกะจักขคูทัศกะมีอาหารนิพพโยครูปแปดจิตะอุตุอย่างละแปดเนี่ยนะเป็นห้าสิบสี่ เป็นต้นเนี่ยก็ไข้ครควญตาปัจจัยคือกรรมก็ไม่เที่ยงแล้วตาที่เกิดจากกรรมจะเที่ยงมาจากไหนจิตใจก็แปรปรวนถ้าจิตเปลี่ยนไปเนี่ยตาเนี่ยโรคตาบางอย่างก็มีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมนี่ถ้าอาหารเปลี่ยนไปแหละตาก็เปลี่ยนไปถ้าอุตุแรงเกินไปนะเช่นดูแสงแสงที่มันจ้าๆเลยอ่ะนะอายุใช้งานตาจะได้นานขนาดไหนตาก็เสียหายใช่ไหม อาหารบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้เกิดตาต้อเป็นต้นเนี่ยะฮันทั้งกรรมจิตอุตูอาหารเนี่ยนำมาซึ่งความเสียหายไม่มีความจีรังยั่งยืนก็มีข้อมูลนะตาคนโน้นก็แตกแล้วต า, ตาของตาของตู่เราก็แตกไปแล้วของทวดเราก็แตกไปแล้วทวดของทวดก็แตกไปแล้วองเงแล้วพวกคนที่มีตาก็แตกทําลายกันเฮ้ตาของเราเดี๋ยวก็แตกทําลาย แล้วก็หมายว่าพิจารณาอย่างนี้เมื่อไรก็น้อมไปว่าจงเป็นไปเพื่อทำที่สุดแห่งตา น, น, นะนจงเป็นไปเพื่อดับตานีโรธนะเนี่ยนงอย่าเป็นไปเพื่อสร้างตาเลยเนี่ยนะเั้นการพิจารณาสีทุกสีจงเป็นไปเพื่อตัดันราคะเพราะว่าการเพลิดเพลินในสีทุกสีคือการสร้างตาเพราะฉะนั้นเรายินดีในตาก็เพื่อจะชมสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสีทั้งหลายก็เป็นเหตุให้มีตาต่อไป ว่าพิจารณาสีด้วยจิตก็นุ่มมุ่งสลัดออกจากจากตานั่นเองนี่จริงก็สลัดออกจากสีก็ได้แต่จริงอับสีก็อยู่อย่างนั้นของสีนั่นแหละแต่ว่าตัวสําคัญก็คือตัวตัวตานี่นแหละถ้านั่นไม่มีตาเห็นเพีอย่างเดียวจะทุกข์ไหมปุกาเล่าว่าน้ําท่วมมีอยู่ที่หนึ่งมีที่ใช่ไหมมีน้ําท่วมตัวเองไม่ได้เห็นเลยไม่ได้ไปทุกข์อะไรกับมันเลยนะ ก็ไปทีแล้มันน้ามันลดหมดแล้วก็เลยไม่ได้เห็นตอนน้ําท่วมก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าน้ําท่วมนะโอขค่ไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้มันดีขนาดนั้นนะเอางี้นะถ้าบางประเทศที่เขากําลังฆ่ากันอยู่เนี่ยนักโทษประหารตัดคออยู่ตอนเนี้ยเนี่มันไม่ใช่ยาเราเราไม่เคยคิดเห็นไม่เคยผูกพันไม่เคยมีข้อเกี่ยวข้องนะมันจะตัดวรรพันธ์หัวเราก็ยังเขาก็ไม่เห็นไปเดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยนะเมื่อไรนะเราจะสังขารทุกชนิดเป็นเช่นนั้นได้อนะัก็มีเป็น ความสุขอย่างยิ่งแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายเนะี่ยคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นโรคเรือนเนี่ยแล้วจะมีความสุขจากการเกาได้ยังไงเนี่ยนะก็ยังอดนึกถึงไอ้ความสุขที่เกิดจากการเกาแผลไม่ได้จริงนะมีความสุขในการดูก็ทางธรรมะถือว่าตาตาหูจมกูกเล่นกายใจเหมือนแผลเนี่ยฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการดูการเห็นการได้ยินเป็นต้นเนี่ย ก็มีความสุขเหมือนกับการล้างแผลหรือการเช็ดแผลสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่ขนาดนั้นก็น้องคือกิเลสก็ไหลไม่ค่อยไม่ค่อยเลิกไม่ค่อยราเหมือนกันครเรีนถามพระคุณเจ้านะครับที่ท่านบอกว่าในอนุโลมญาณนี้จะมีนามเรารูปเป็นอารมณ์ไหมครับมีมีสังขารอย่างใดก็ได้สังขารคือหมายว่ามีรูปก็ได้มีเวทนาหรือมีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นอารมณ์ก็ได้ ทีนี้ในบรรดาว่าย่อๆมีรูปหรือมีนามเป็นอารมณ์ก็ได้ทีนี้ในบรรดารูปนามเหล่านั้นจะรู้ความไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นอนัตตก็ได้บางแห่งก็บอกเป็นภายในก็ได้เป็นภายนอกก็ได้อย่างใดก็ได้ทำไมถึงเจาะจงว่าจะต้องเป็นนามหรือรูปถ้าเป็น อ, อสังขารุปเปขายานนี่มีได้ทั้งนามทั้งรูปครับก อ, อันนี้เนี่ยมรรคคุวิธีเนี่ ย, น, ยนะอันนี้มรรควิถี S <S เขาะจะต้องมีอย่างเดียวนะโดยโดยธรรมชาติของนิยามเป็นอย่างนั้นจะต้องรับอารมณ์แค่อย่างเดียวคือถ้ารับเวทนาก็ต้องเวทนายอย่างเดียวไปเลยถ้าจะรับสัญญาก็สัญญ า, ญญ า, ญาไปเลยถ้าจะสังขารก็สังขารไปเลยถ้าจะรับรูปก็รูปไปเลยถ้าจะสีก็สีไปเลยเพราะมันเป็นวิถีสุดทา้ายอันนี้หมายถึงว่ามีนามหรือรูปต้องเป็นขณะปัจจุบันนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าขณะที่เป็นสังขารุปไปขายานนี้ก็เป็นการ เอมีใจรักษณ์ในขันในอายตนะในทาตอะไรได้ใช่ไหมคะก็เท่าตา ก, การดูแล้วก็สังเกตจากพุทธพจน์ในหลายๆแห่งแล้วไม่เลือกการอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้เพราะในสัตว์ทิวัตในสังยุตติกายใช่ไหมเพราะพิจารณาที่เป็นอดีต ก, ก็บรรลุก็ได้อนาคตบรรลุก็ได้ปัจจุบันบรรลุก็ได้ไม่เที่ยงบรรลุก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้อนัตตาก็ได้นะมีอยู่หกสิบสูตรตรงนั้นนะนะเนียนทอน ทันนี้ทำไมเอมีนามหรือรูปที่เป็นสังขารในขณะนั้นแล้วก็ยังเป็นไตรลักษณ์ด้วยครับจะจะแยกย่อยเนี่คือจริงจริงนะมันยังไงอ่ะคือเห็นบาดเนี่เห็นบาดทะลุเนี่ยมันเห็นตอนเดียวกันไหมถ้าจะเปรียบเทียบอุปมาอย่างเนี้ยนะคือเห็นบาดทะลุเนี่ยมันเห็นตอนไหนเหมือนเห็นบาดราวนะมันเห็นพร้อมกันด้วยเห็นต่างกันเนี่ยนะ คือโดยที่มีสมมติว่ามีมีมีอะไรที่มันแตกมันร้าวเนี่ยนะเหมือนมีโคมไฟที่มันร้าวไปหมดเลยนะถามว่าเห็นโคมร้าวนี่เห็นเห็นยังไงคือจะเรียกว่าต ก, ตกลงเห็นโคมร้าวหรือเห็นรอยร้าวกันแน่ถ้าทั่วท่วไปเขาจะพูดถึงตัวโควมมันจะได้ชัดเจนขึ้นเห็นแต่ ร, ยรอยร้าว็ค่อะไรร้าว นะนั้นถ้าบอกว่าเห็นนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอะไรไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่วัตถูกไปเลยที่เดียวก็พอเลยนะเหมือนกับไข่บะไข่เนี่ยมันร้าวอันนั้นข้าพเจ้าไม่ซื้อหรอกมันร้าวอะไรร้าวก็บอกว่าไข่มันร้าวเลยนะร้าวกับไข่นี่มันอันเดียวกันหรือมันต่างกันสังขารทั้งหลายที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะมันแยกจากกันหรือว่าอยู่ที่เดียวกันบางคนก็ต้องแบบคิดเองนะจึงจะปรองเด้นะ เธอถามว่าเอเห็นไข่มันสมมุติว่าไปซื้อไข่ใบหนึ่งไหมมันบุบมันเล่าไปหมดเลยคุณเห็นรอยเล่าหรือว่าเห็นไข่มันเล่ากันเนี่มันเล่าหมดเลยนะสมมุติไปเล่าให้ใครฟังอ่ะนะมันเล่าหมดเลยอะไรเล่าอันนะแต่ถ้าบอกว่าไข่เนี่ยนะถ้าบอกว่าไม่ไข่ไม่เอาอ่ะทําไมไม่เอาไข่แล้วก็อธิบายครั้งเพราะมันเล่านะ จริงอะถามว่าไอ้ตอนเห็นไข่กับตอนเห็นรอยรัมเห็นตอนเดียวกันไหมล่ะก็นี่แหละที่ปัญหาที่อาจารย์สันติถามว่าในมัคควิถีเนี่ยนะที่ว่ามีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์หรือมีขันห้าเป็นอารมณ์กันแน่ถ้ามีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอารมณ์ก็ไม่น่าจะพูดว่ามีรูปนามถ้ามีรูปนามเป็นอารมณ์ก็ไม่น่าจะพูดว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะเพรื่อนก็แสดงว่าไม่เข้าใจในลักษณะของขัน ขันเนี่ยมีอยู่สองลักษณะคือปัจจัตตลักษณะกับสามัญญลักษณะในชั้นนี้เขามีขันแต่โดยมีสามัญญลักษณะเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีสามัญญลักษณะเป็นอารมณ์ซึ่งเรียกว่าไม่ไม่ได้มาไข้ควรไอลักษณะที่จะตุกกะแล้วเพราะว่ามันเรียกว่าโอ้ยนั่นมันชั้นเด็กๆ เ, เขาเนี่ยเขามีสามัญญลักษณะเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยนะ